าศาสนาพุทธในใครเข้าใจแล้วไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เท่านหร่แต่คนนั้นฟังไม่เข้าใจกันนีดคือเมื่อไม่เข้าใจแล้วไปปฏิบัติมันก็ผิดไปในประเทศอินเดียมีหลายละที่หลายได้กายครบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีร้อยแปดละที่ร้อยแปดอาจารย์ร้อยแปดศาสนา ก็สอนไม่เหมือนกันเมืองไทยแล้วก็เช่นเดียวกันมีครูบาอาจารย์หลายคนสอนกรรมฐ า, านสอนยิบธรรมสอนให้ทานสอนนักศาสนาไม่เหมือนกันเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราเรามันเป็นคนไม่ได้เต็มศัพทถ้าเป็นคนต้องรู้จักเลือกคัดจัดหาเอาได้เดี๋ยวคน ว่ า, าว่ายังไม่ใช่คนเลือกไม่ได้แกว่าเกิดมาแล้วก็แค้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนแต่ใ จ, จ ย, ยังไม่ใช่คนเพราะมันเลือกยังไม่ได้เลือกคัดจัดหาออนยังไม่เป็นจะเป็นคนได้ทำไมของมันผสมกันอยู่มากบัยยนนี้คนต้องเป็นเลือกเขาได้เป็นสิ้นเป็นอั น, น, อ, น, น, อ, น, นอันนี่วางว่าอย่างนั้นอันนี้วางว่าอย่างนั้นเียกว่าคนถ้าหากเราอยากไปเลือกคัดจัดหาอย่างนั้นไม่เลยไม่ใส่คน พูดให้ฟังควาจริงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นทีแรกหลวงพ่อไม่รู้ว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยต้องมีวัดมีพระพุทธรูปมีพระสงฆ์ได้ไปให้ทานรักษาศีลมาตัวเองได้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาเข้าใจอยจังแต่ความจริงอันนี้มันเป็นศีลธรรมมันเป็นศีลธรรมมันเป็นวัตถะแปลว่าโลกีธรรม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 เราคนจึงมีความละอายในใจคืนละอายต่อสิ่งที่ไม่สมควรเรียกว่าคนนะถ้าหากยังไม่มีความละอายไม่ใช่คนแต่แข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนเนี่ยเขาจะน่าถึงวนรกสวรรค์นรกคือความทุกข์นั่นเองคนใดมีทุกข์เป็นคนอยู่เนี่ยไม่ใช่คนมันสัตนรกเข้าใจใกล้ๆที่เราพูดในขณะที่เราไม่มีทุกข์เราจะขึ้นสวรรค์ได้ แต่ยังไม่ใช่คนนะเพราะเรายังไม่รู้สวรรค์นะไม่ใช่คนยังเป็นสัตว์เดียวคาว่าคนในต้องรู้จักโอนี่เป็นสวรรค์นี่เป็นนรกเราหลีกนรกได้เราต้องการสวรรค์เราต้อไปอยู่บนสวรรค์นะแต่ยังไม่ได้เป็นโลกอุตลธรรมเขาบอาสวรรค์เป็นโล ก, กินยธรรมแต่คนอยู่ได้แต่คนรู้จักว่าเป็นไม่ใช่สัตว์แล้วนะนี่เป็นคนแล้วนี่เพียงเดียวนี้คนไทยถือศาสนาพุทธไม่ค่อยเข้าใจอย่างนี้ หลวงพ่อเองเขาไม่เข้าใจจ้าของไม่เข้าใจยอมีจะเอาบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนใครเอาให้ไม่ได้คนเรานี่มีบุญแล้วเกิดมาเป็นคนแล้วนี่แต่เราทำไมจึงไม่รู้จักบุญเมื่อไม่รู้บุญจะเอาบุญได้ไหมไม่ได้เราไม่รู้จักนรกจะเลี้ยงนรกไปได้อยไหมไม่ได้เป็นเมื่อเราไม่รู้สัตว์จะเลี้ยงสัตว์ได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ว่าสัตว์เดยสารอย่างสุนัข หมาเนี่ยหมาบัานเรก็เรียก ม, มาอย่างสุนักแมวหัวควายมันเป็นสัตว์ในรัศสารโดยเฉพาะอั น, น, นอันคนเนี่ก็เป็นสัตว์เหมือ น, นจจกันแต่จิตใจมันเป็นสัตว์จ้าวคนใดมีตาทิพต้องเห็นอันนี้คนใดไม่มีตาทิพไม่เห็นตาทิพเปรียบว่าตาปัญญาดังนั้นการทําบุญกดีการให้ทานกดีการรักษาจิตควรทำเพื่อให้เกิดปัญญา พระพเจ้าสอนเรื่องปัญญาสอนให้คนกําลังทําความผิดอยู่ให้เขาทำถูกต้องสอนคนที่กําลั ง, งโง่นั่นแหละอ่านว่าโง่อยากถูกขู่เขียดคนดังโง่อยู่เนี่ ย, นนงงยให้เขาสลาดขึ้นมาสอนคนที่ยังมีทุกข์นั่นแหละให้ทุกข์นั่นหมดไปชั้นวะจึงจะเป็นคนได้ถ้าตัวเองยังโง่อยู่แล้ว อวดว่าสลาดนั้นไม่ใช่คนเลยเขาอวดดีคนอวดดีกับคนมีดีเอามาพูดมันไม่เหมือนกันหันว่าอย่างเงี้ยอวดดีเราเคยได้ยินว่าอย่างยาอวดดีนั่นเคยพูดไหมครับเนี่เค ย, นะยเคยได้ยินบ้างไหมเคยเคยได้ยินคนอวดดีนะอวดดีที่ไม่มีราคาเลยคนมีดีเอามาพูดท่านอย่างพูดอย่างนั้ด้ะคนมีตาที่ไม่ใช่ตาทิพนั่งอยู่ที่มองเห็นไกรๆ ไ, ไม่ขย่างตาทิพมองดูคน เออหลักษณะคนโกธขึ้นมานั้นร่างกายเป็นหัจใจเป็นสัตว์แลมองเห็นใจตัวเราแล้วกระจายคนทั้งกรมนันค่ะโอ้พระพุทธเจ้านี่ยสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัต์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัต์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วเห็ น, หนแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติป ฏ, ฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี่เดชะพอดแต่เราไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจเขาทำก็ไม่ถูกต้องที่เขาเดือดร้อนที่แล้วเขไปหาเอาบุญได้บุญมันได้ทุกมาดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอย่างตัวเราดีเนี่ยเพรงว่าแต่ทําได้ทําบุญบุญนั่นมันเป็นโลกิยญธรรมไม่ใช่เป็นโลกุตตระธรรมให้เข้าใจอย่างโลกิยญธรรมกับโลกุตตระธรรมไม่เหมือนกันเราดีใจเรียกว่าเป็นบุญในขณะเราเสียใจขณะไหนเวลาใดเราจบนรกแล้วเนี่ย นรลกกับสวรรค์น่ะอยู่ด้วยกันมันเป็นสายเดียวกันโยมไม่ใช่คนคนใดยังไปตกนรกอยู่ไม่ใช่คนคนใดยังมีความหนักใจทุกข์มากไม่ใช่คนแต่หน้าตาแฉ่งขามือเท้าเป็นคนในระยะนั้นน่ะเกิดเป็นคนเป็นคนแต่เรายังไม่ใช่คนในขณะที่เราสบายเราไม่เคยรู้ว่าเราสบายสบายอะไรสบายจิตใจเป็นยังไงยังไม่เคยดูเลย ตัวหลวงพอก็ไม่เคยดูนึกว่าเราสบายแล้วเนี่ยนึกว่าเราเป็นคนไม่ใช่คนเป็นลักษณะจิตใจของเปรตจิตใจลักษณะนั้นเป็นลักษณะเปรตถ้าหากเรายังไม่เข้าใจก่อนเราเป็นเปรตแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นเปรตเราจะหนีจากเปรตได้ไหมหนีไม่ได้ในขณะเราโกรธเกลียดเราเป็นสัตว์นรกเนี้ยเราจะหนีจากสัต์นรกได้ไหมก็วันนี้ไม่โกรธพรุ่งนี้มันจะโกรธขึ้นมาวันนี้ไม่เกลียดพรุ่งนี้มันจะเกลียดขึ้นมา วันนี้ไม่เป็นพวกนี้มันเป็นเรานี้ไม่ได้จะเป็นคนไม่ไม่ใช่คนก็เรายังอยู่คุมเดียวเขาว่าสัตว์อันนั้นเขาเรียกสัตว์แต่ใครๆก็เป็นสัตว์ได้เหมือนกันอันนี้ที่นํามาเราให้ความให้เข้าใจว่าโลกิธรรลกีธรรมโลกอุตตรธรรมหรือว่านรกสวรรค์ในขณะเรามีความทุกข์โกรธเกลียดไม่สบายใจเนี่ยเขาเรียก ว, ว่ามันเป็นการขัดแย้งอยู่ในตัวเราเองคนนั้นพูดไม่ดี คนนี้พูดไม่ดีเนี่ยคนอื่นนั่นน่ะเราจะไปห้ามเขาได้ใหม่ๆใดจะต้องหามตัวเราถ้าเราเป็นคนนะถ้าเราไปห้ามคนอื่นไม่ใช่คนอยู่แล้วตึงสัตว์อยู่แล้วมันเป็นการขัดแย้งเราเราขัดแย้งเองนะเราทุกเนี่ยเขาไม่ได้ทุกกับเราเนี่ยสมมุติเขาจะทําอย่างนั้นห้ามแล้วเขาไม่ฟังเรื่องของเขาเนี่ไม่ใช่เรื่องคนเมื่อเราไปห้ามเขาไปฟังเราทุกมันขัดแย้งตัวเราเขาไม่ทํากับตัวเราแล้วเราทุกเลยเราก็เป็นสัตว์นรกแล้วนี่ยไปไกลที่เด็กพ่อพูด ที่ความทุกเนี่ยพระพุทธสอนให้คนรู้จักทุกจริงๆเมื่อเราไม่ให้ทุกเกิดขึ้นเราก็เป็นสวรรค์เป็นสวรรค์เป็นมันเป็นคนแล้วแต่ย่างไม่ได้เห็นมนุษย์เป็นคนเลือกคัดจักพระโอรสสณะสมบัติของคนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันจะเป็นมนุษย์หรือมาะบัดนี้ห้ามได้เป็นมนุษย์เป็นสวรรค์แล้วสวรรค์แล้วเป็นโลกิยธรรมแล้วโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมมันจะฟัง ฝังให้เป็นจำให้ได้จนะ ต, ต้องไปปฏิบัติเอาเองนะถ้าไม่ปฏิบัติเอาเองไม่ได้ใครทําให้ไม่ได้บิดามารดาทําแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะทําแทนบิดามารดาก็ไม่ได้สามีภรรยาทาแทนกันไม่ได้เร่างนี้เคยได้ยินนะพระพุทธเจ้าท่านสอนขาตโลต ถ, า, า, ต า, ตถาคตาธาตถาคตเป็นแต่เพียงคนแนแนวเท่านั้นเอง การประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอเธอปฏิบัติถูกท่องก็เธอได้รับผลเธอปฏิบัติผิดเธอก็ได้รับทุกเท่านั้นเองดังนั้นประเทศอินเดียมีร้อยเปรตละที่ร้อยเปรตอาจารย์ร้อยเปรตใครชอบธรรมะใครก็ต้องไปเราเคยได้ยินวะ่าองค์ุลิมานฆ่าคนก็อาจารย์หนึ่งเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตายองคุลิมัเนี่ยอาจารย์สอนให้เข้าใจฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ ฟังแล้วไม่เชื่อถือก็ไม่ได้เราต้องใส่เหตุผลพุทธศาสนาสอนเหตุผลไม่ใช่สอนให้เชื่อทันทีสอนเชื่อทันทีเขาว่างนายไม่รู้สอนเชื่อทันทีคือใครองค์ุรี ม, มาอาจารย์สอนเรามีคาถาอันดีที่สุดแต่ลูกซิปลูกหาเรียนไม่ได้แต่เธอเป็นคนเรียนเก่งเรียนมากจะสอนให้แต่ว่าคนต้องใจถึงเขาจะฆ่าองค์คุรี ม, มา แต่องค์คุริมานไม่รู้สแสดงว่าองค์คุริมานเป็นคนจริงแต่เป็นคนขาดปัญญาให้องค์ุริมานต่ฆ่าคนถึงพันคนและจะสอนคาถาให้คนจํานวนพันคนต้องฆ่าองค์คุริมานด้เขาคิดอย่างนั้นแต่คนมันไม่สลาดก็เลยแต่ฆ่าคนเนี่ยไปอย่าง น, นัอันนี้แหละเราต้องใช้สติปัญญาการทำการพูดการคิดไม่ใด่ออกฟังแล้วเสื้อทันทีมันผิดไป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 ไม่ได้อยู่สำนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เราตัดจรู้เองโดยชอบอุปการศึกษาก็ไม่ฟังเสียงเลยไม่มีคนสอนจะรู้ไหมเน็ตเข้าใจยังอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดทั้งหมดเสื้อทันทีก็ไม่ได้ไม่เสื้อทันทีก็ไม่ได้ในประเทศอินเดียมีหลายละที่มีหลายอาจารย์มีละที่ไม่นุ่งเสื้อไม่นุ่งผ้าก็มีนอนเซียนนอนนามก็มี กินน้ำห่อนนอนย่างไปก็มีเนี่ยกินข้าวเลียออมเหมือนสุนัขนี่ก็มีคูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังหลายละที่ห ล, ลายนิกายเราชอบใครก็ต้องไปคนนั้นที่ที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ได้ห้ามคนนั่นคนนี้ใครชอบต้องไปมันจะขัดนะ้าโยบายไม่ได้หลวงพ่อเคยพูดคนกําลังวิ่งมาเรายืนอยู่ที่เนี่ยยืนสู้ไม่ได้เราต้องเบื้องตัวให้เขาไปเขาจะไปแล้วถ้าเราไปยืนสู้มันก็ตําเรา ชนเราเราก็เสด็จหนีเราก็จิตเราไม่ต้องไปสู้ไปทวนกระแสของโลบปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนพูดความจริงให้ฟังนะครับแล้วไปเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ทันว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาฟังธรรมะวันนี้ก็อน้อยๆ้อยแต่พูดความจริงให้ฟังลักษณะนรกนั้นคือในลักษณะจิตใจเราเดือดร้อนเราไม่ใช่คนแล้วนั่นแหละแกเราเป็นคน เรารีบรู้จักทันทีโอ้เดือดร้อนเนี่ยเป็นอารมณทิ้งโอ้เที่ยวหลังโอ้เป็นอย่างนี้หลักษณะเราก็ารู้จกักว่าใจเราที่หลวงพ่อเคยพูดว่าให้ดูการเคลื่อนไหวของโลกกายภายนอกแล้วก็ดูจิตใจนึกคิดจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาเราไม่ทันมันก็เป็นอารมณ์เมื่อเป็นอารมณ์ก็ทําไปตามใจคิดเมื่อทําไปตามใจคิดมันก็ตกต่ําที่ใจมันใจมันไปข้างตา่ํา จึงว่าให้ดูใจเมื่อมันคิดขึ้นมาเห็นรู้เข้ามาทําลมขึม้นมามันจะวางวางใจมันจะมาอยู่กับคุณรู้สึกเมื่อมาอยู่กับคุณรู้สึกและปัญญาแล้วมันทาคนจะล่วงผูป้ปฏิปภัพปัญญาเนี่ยท่านวันนี้เมื่อปัญญาโอ้มันคิดเมื่อกี้นี่ผิดหลักษนะนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นเราก็รู้เที่ยวหลังมันเป็นมาแล้วก็ต้า น, นอะ ไ, ไดเดี๋ยวเป็นมนุษย์มนุษย์จึงหักห้ามจิตใจได้ถ้าหากหักถ้าเราหักห้ามจิตใจไม่ได้ก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ ก็ยังเป็นคนเจริรู้จักแล้วคนนะรู้จักว่าจะหนีที่แล้วแต่มันหนีไม่ได้สมมุติเอาที่นี่เป็นป่าที่ที่วัดแนี้เป็นป่ามีเสือมีตะขาบมีแมงป่องมีงูมีสัตว์ร้ายอยู่ที่นี่นะเราจะอยู่ที่นี่ต้องหาวิธีกันถ้าเราไม่หาวิธีการเสือจะมากัดเรางูจะมากัดเราตะขาบแมงป่องสัตว์ร้ายจะมากัดเราเราไปไม่พ้น เราต้องหาวิธีการอันนี้เขาเรียกว่าโลกิยธรรมเพราะเราหนีไม่ได้ถ้าเราหนีจากนี้ไปพนแล้วเขาว่าโลกุจรธารมเขาว่านิพพานนิพพานเขาเรียกว่าโลกุจรธรรมโลกิยธรรมเป็นวิสัยของคนผู้ที่ไม่รู้ไม่รู้ทิศทางออกนั่นเองไม่รู้ทางออกไปจากทุกเขาว่าโลกียธรรม โลคูตระธรรนเราลุกจักทางออกจากนี่ไปเลยไม่ต้องเข้ามาที่นี่เราข้าวไปอยู่ฝากของเบื้องนั้นสัตว์ไล่มันตามเราไม่ได้เสือก็ตามไปไม่ได้ตะขามแมงฟองตามเราไมไ่เราก็มองดูสภาพสัตว์เรานั้นมัยุ่งกัอยู่ที่นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนใ ก, กล้แต่เรามันไม่เข้าใจลึกตื่นไปก็เลยไม่เข้าใจความหมายตายแล้วจริงจะเอาสวรรค์ตายแล้วจะเอานิพพานหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นบัดนี้หลวงพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้น คือหลวงพ่อพูดแต่ความจริงมาที่นี่ก็ต้องพูดความจริงให้ฟังแต่คนไม่ไม่ยอมรับความจริงแต่คนทุกคนต้องการความจริงพูดความจริงให้ฟังไม่ยอมรับความจริงนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนเราเนี่ยถือศาสนาพุทธทำไมเน่การกระทํายังไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาเพราะเรื่องอะไรเพราะเราไปติดรูปแบบไปติดครูติดอาจารย์ติดคนใดพูดเก่งคนใดมีความรู้ คนนั้นเอาลูลอย่างนั้นนะ่ะนับเม็ดเห็นเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลได้ทุกเม็ดพระพุทธเจ้ากขว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหร่ามาแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มีการขัดแย้งเกิดขึ้นภายในใจิตใจตัวดีกว่ามีประโยชน์กว่าไม่ต้องเขียนหนังสือเป็นก็ได้ไม่มีเงินก็ได้ไม่มีความรู้อะไรก็ได้แต่ว่าแก้ปัญหาตัวเองให้ได้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 แต่ว่าโลกุตละธรรมคือนิพพานจึงไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บและไม่มีการตาย เ, เพราะมันพ้นภัยไปแล้วทันทีแต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้่าโลกุตละธรรมคืออะไรอยู่ที่ไหนคนโบราณบ้านหลวงพ่อเคยสอนอวสัชว ร, ร์อยู่ในอกนั่นลกอยู่ในใจพระนิพพานโกอยู่ที่ใจใจมันอยู่ที่ไหนเราเคยเห็นใจเราบ้างไหมไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นเราก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้ใจเราคืออะไร ไม่ใช่ใจมันคิดนะอันใจอันมันคิดนะเขาว่าเป็นอารมณ์เป็นใจคิดแตตัวใจจริงๆมันไม่ใช่อันนี้นี่ว่าคนมันไม่เข้าใจคําพูดนี้โยงทําความรู้สึกอันตัวความรู้สึกเนี่แหละคือใจความรู้สึกมันเปลี่ยนตัวออกจากคนไหนให้ความรู้สึกทําหน้าที่ของมันถ้าความรู้สึกไม่ได้ทําหน้าที่ของมันแล้วก็ไปคิดห้ามมันก็ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ จะไปไหลไปตามขัดแย้งของความคิดเราจะรักษาศีลให้ฐานทํากรรมฐานจะเล่นนิพพานาเท่าไหร่ก็ตามถ้าเรายังไม่มาแก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเราแล้วไม่มีโอกาสไม่มีทางเลยข้อแรกที่สุดต้องรู้อันนี้ขอหลวงพรู้รู้ลูกนามเมื่อรู้ลูกนามตอนเช้าตอนเย็นหลวงพ่าก็รู้จิตใจดลงพอคิดเมื่อรู้จิตใจดลวงพ่อคิดเรื่องความ โกเนี่ยไอดโอสโมหโะโลภลดน้อยไปทันทีเลยเพรเห็นหักข้ามได้นี่งเราก็มีสติเข้าไปอยู่ในความรู้ตัวนี้มันเข้าไปรู้อยู่นั่นแล้วเหมือนกับมีเก้าอี้ใบเดียวมีสองคนเข้าไปนั่งเราต้องพยายามนั่งเก้าอี้อยู่เสมออย่าให้คนอื่นเข้ามาแย่งนั่งเราถ้าคนอื่นเข้ามาแย่งเราเราก็เข้าไปไม่ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกความรู้ซึกให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาให้มันเพิ่มน้อยอย่างเนี้ย เมื่อมันรู้อยู่ตลอดเวลาความคิดนั่นมันจะไม่ไหลไปเลยมันจะไม่เข้ากับความหลงผิดมันจะไม่เป็นอารมณ์มันคิดปุ๊บขึ้นมามันจะไม่มีอารมณ์อารมณ์นั่นมันจะไหลไปเลยเนี่ยอารมณ์คนมันชอบอารมณ์เมื่อมันชอบอารมณ์ก็เลยไหลไปแต่หลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจท่านว่าอย่างนั้นที่หลวงพ่อนำมาพูดให้ฟังในตัวให้เราเข้าใจโลกิจธรรมเป็นวิสัยของโลกไม่จะมีเงินจากพันนาคนอย่างเป็นวิสัยของโลก ไม่จะเรียนหนังสือจบประโยคเก้าเขาังเป็นวิสัยของโลกไม่จะเรียนหนังสือจบปริยาเอกจักรร้อยปริยาเอกเขาเป็นเวิสัยของโลกเพราะหนีจากโลกไม่ได้คำว่าโลกขีนยธรรมแต่ความดีอันนี้ไม่ใช่ดีในโลกขุจารธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เอาดีในโลกขุจารธรรมแต่ว่าเรายังอยู่ในโลกิยธรรมก็ได้แต่เราอย่ามาอาศัยโลกิียธรรมเป็นพื้นฐานให้เราอาศัยโลกขุจารธรรมเป็นพื้นฐาน ทันว่ายังงแต่เราอยู่ในโลกิยธรรมพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทุกองหมดทุกแล้วไม่ใช่ตาย ท, าทันทีแต่เขายังอยู่โลกิยธรรมแต่เขาอยู่โลกุจรธรรมเขาไม่มีทุกดังนั้นทุกคนทําได้เรื่องนี้จรงหวะศึกษาตัวเองแก้ไขตัวเองควบคุมตัวเองถ้าไม่ศึกษาตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไม่ควบคุมตัวเองแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลา ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะพบ ก, กับตัวเองได้เพราะตัวเองไม่เห็นตัวเองจะพบ ก, กับตัวเองได้ทําตัวเองเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เมื่อไม่รู้เลยจะไปที่ไหนได้คนไม่มีปัญญาสมมุติเอานะเราจะเดินไปก็ไม่ถูกถนนคนทางอะไรก็ลงฟูลงคลองลมลุกคุกคานเจ็บปวดไปคนมีปัญญาเขาจะไม่ไปที่มันเจ็บปวดเขาจะไม่ไปเขาจะค่อยหลบไปแก้ไขไปเป็นอย่าง ดังนั้นพวกเราเป็นคนไทยถือศาสนาพุทธและก็เป็นมนุษย์จริงๆถือศาสนาพุทธจริงๆต้องเข้าใจคำหมายถ้าไม่เข้าใจคำหมายจะไปติดสับแสงบาลมบาลีมันก็ไม่ใช่เป็นภาษาไทยเราเป็นคนไทยต้องเรียนภาษาไทยคนไทยก็โกรธเป็นเหมือนกันคนฝรั่งก็โกรธเป็นเหมือนกัน คนจีนก็โกรธเป็นเมือนกระเจดิดไม่เป็นของไข่ทำสอนของพระเจ้าไม่เหมือนกับาศาสนาอื่นศาสนาอื่น ๆ, าา น, ๆนั้นอา ศ, าศาัยพระเป็นเจ้ามารับรองเอาดวงจิตวิญญาณจติตวิตรียุกระพักเป็นเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนให้มีเหตุผลทําเหตุ ด, ดีผลออกมากดีทําเหตุเร็วตามผลออกมาก็ได้รับผลเร็วตามฉันว่าอย่างนั้นดังนั้นข่มโกข่มโลกข่มหลงเป็นโลคิธรรม โกรธบ้างได้โกรธบ้างมีทุกบ้างสุขบ้างเป็นโลกิยธรรมโลภียธรรมกับสวรรค์สวรรค์กับโลกียธรรมเป็นคำเดียวกันนะนรกอเวจีเป็นคำเดียวกันนรกไอเวจีถ้าไปตกนรกเรียกว่าขุมน้อยไปตกอเวจีเราขุมใหญ่นานได้เกิดมาเราเครียดบางทีนะตั้งวันก็มีบางคนแท็กเดียวหายก็เป็นขวันนึนรกถ้าเครียดยึดถือเข้าไปเขาเป็นอเวจีเขาว่า ถ้าพระเจ้ามาตัดสลูดแต่และพระองค์ใจเห็นแสงลิขของพระเจ้าจะแม็กเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าความโกรธมันหนักใหญ่บัด น, นี้เมื่อเรามาคิดเออมื่กดแป๊บเดียวอะเราก็ไปตกนั้นลกขุมน้อยถ้าเราไปอยู่ น, นานๆคนอื่นมาพูดให้เราเรายังไม่รู้สึกตัวแเราก็ไปตกอวีจีแล้วเนี่ยพอดีหายเราเราขึ้นมาสวรรค์แต่เรายังไม่รู้ว่าเราไปสวรรค์ไม่เป็นสวรรค์กับนรกนั้นเป็นสายเดียวกันโลกียธรรม กับนรกกับสวรรค์เป็นสายเดียวกันบัดนี้โล ก, กิยธรรมคําเดียวนะโล ก, กิยธรรมเนี่ยกับโล ก, กุตตรธรรมไปสายเดียวกันเจ้าเป็นคนแล้วเดินออกมาจากนั้นมาอยู่ในโล ก, กิยธรรมเราจะเดินไปสู่โล ก, กุตตรธรรมที่ตรงไหน เราพยายามดูใจมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้มัน résult, คิดเครียดแค้นแน่ใจกุบใครต่อไปเราพยายามเลือกเอาแล้วมันเลือกเขาที่อเอาใจสบายเลยจิตใจสบายมันมีทุกคนในที่นี้เนี้ยเนี้ยมีเนี้ยเดนนี้เป็นยังไงเนีเป็นยังไงเดนนี้จิตใจสบายเนี่ยคนสบายนี่แหละเนี้ยเราต้องพยายามอยู่คนสบายตรงนี้ค่ะว่าเป็นวิสัยของมนุษย์ จะมนุษย์สมบัติเนี่ยเป็นสวรรค์เดี๋ยวนี้เราเป็นสวรรค์เลยถ้าสบายคนนี้ไปเรารู้จักผู้จักคนนี้เป็นนิพพานสมบัตินิพพานก็หมายถึงไม่มีกลับเนี่ยนี่ น, น, นิพพานมันอยู่อย่างนี้แต่เข้าใจใกล้ๆที่หลวงพ่อไม่ต้องอะไรทั้งหมดศีลกระทาให้เราไม่ได้อะไรทําให้ได้เราไม่ได้เท่านั้นได้แต่เฉพับปัญญาเท่านั้นคนจะล่วงทุกข์ไปแต่เพราะปัญญา ไม่ใช่คนจะล่วงผู้ไปได้เพราะผมไม่รู้เป็นนั่งหลับหูหลับตาไม่ใช่อย่างนั้นที่หลวงพ่อมาพูดให้ฟังในตัวตั้งใจัำอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้แต่ขอให้ว่าคนที่จะมาแนี่เราไปเท่านั้นเองเราจะไปในรูไหนก็ต้องไปเลือกเขาไม่มีใครห้ามเลือกครูบาอาจารย์เลือกได้เรามีสิทธิเต็มที่เพราะเราเป็นคนชอบองค์ในต้องไปหาองค์นั้นอย่าให้มันเสียเวลาถ้าเราชอบองค์นี้กลับไปติดองค์นั้นมันก็ไม่ได้ผล ว่ามันเสียเวลาวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงเราไปเสียเวลาสิ้นจากสองชั่วโมงแล้วก็เหลือเพียงแปดชั่วโมง <Hey. S 1> สิบชั่วโมงเราไปเสียเวลาสี่ชั่วโมงแล้วก็เหลือน้อย บ, <Yeah. S 1> บางคนเสียถึง6กชั่วโมงก็มีเดินทางไปจะไปที่ไหนได้ <Yeah. S 1> โล ก, กียธรรมหมายถึงไปไม่ถึงโลกุตละธรรมไปไม่ถึงนิพพานให้เข้าใจอย่างนี้เ <Yeah. S 1> มื่อเราไปถึงนิพพานเมื่อใดกันนั่นแหละสิว่เราเป็นโล ก, กียธรรมเป็นโลกุตละธรรม เมื่อเรายังไม่รู้โลกุต ธ, ธรรมแล้วก็อยู่ในโลกิยธรรมเป็นวิสัยของคนผู้ที่ไม่รู้ถ้าคนใดออกจากโลกิยธรรมไปได้เป็นโลกุต ธ, ธรรมเนี่ยเป็นวิสัยของบุคคลผู้ที่รู้เดื่อาริยะบุคคลอริเปล่าข่าศึกเงาเปล่าพ้นไปแล้วจากโมทุกท่านสอนเท่านั้นเองเราเคยสวยดกันว่ายายยะปฏิปนุภควัตโตสาวกธรรโโสงสาวกของพระ ผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมูเดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วออกจากทุกข์ไปได้เขาเรียกเป็นโลกุตตรธรรมถ้าออกจากทุกข์ไม่ได้ปัดตัวไม่ได้เขาเริ่มโลกินธรรมดังนั้นคนเนี่ยทุกคนยังไม่ทันตายอยากเกิดแล้วผิดแล้วครัพบพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักวาการเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นคน ทุกอย่างเกิดเป็นเทวดาทุกอย่างเทวดาเป็นเทวดาก็ตายเป็นนะเป็นคนก็ตายเป็นนะเกิดซ่าดเดียวตายซ่าเดียวเกิดสองครั้งตายสองครั้งเกิดสิบครั้งตายสิบครแต่คนมันอยากมาเกิดและแสดงว่าคนนั้นรู้ไหมไม่รู้แสดงว่าคนนั้นเป็นคนนะไม่ใช่คนถ้าพูดอย่างนี้อย่าไปเสียใจเสียใจก็ทุกแหละหลวงพ่อพูดควมจริงให้ฟังคนอยากมาเกิดก็อยากมาตายสิ เ้าเกิดมาได้ที่ไหนต้นไม้เขาตายคนก็ตายเกิดเกิดที่ไหนตายทุกทีเีจ้าพระแม่สอนให้เรารู้จักเหตุผลไัยอันนี้เจยวไปให้พ้นท่านบอกภาวักตริ์ไปให้ค้นไปให้ค้นโดยเฉพาะพวกนั้เราจะสงวนควบคุมตัวเองไว้จวนจะหมดลมหายใจเนี่ยทุกคนต้องประสบเรื่องนี้จริงๆพูดให้ฟังมาแล้วอย่างน้อยต้อง สิบครั้งจะร้อยครั้งก็ได้อาจจะได้ยิ่งเลยก็เคยพูดถึงนี้ถ้าควบคุมอันนี้ไม่ได้เราก็ไม่ใช่คนเแี้ยมันจะกลับมานี้ควบคุมให้มันได้จังหวะศึกษาตัวเองควบคุมตัวเองร่างกายยควบคุมไม่ได้มันหิวต้องให้กินเรื่องจิตใจควบคุมได้ทําไมจะควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วไม่ทํากับมันนะก็เลยทำมันเอง ถ้าเราหวังยังมาเกิอดอีกขยักมาตายอีกแล้วจะมาทุกข์อีกแล้วยางจะเป็นโลกภะทำขยักไปนรกบ้างนไปสวรรค์ถ้าคนใดเออไม่เอาเลยการเกิดเนี่ยไม่เอาเลยมันก็แล้วกักนไปเท่านั้นเองจะเป็นโล ก, กุตตรธรรมเราไม่หวังนะจังวะที่พูดนี้ไม่ใช่แต่ข้ามข่ายทางโลกเราพูกควาิงคนไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาจะไปเรียนเอามันจะรู้ทําไหมต้องปฏิบัติให้มันเกิดความลุ่ทํายังไงจึงจะเกิดปัญญา ยังไงจึงจะมียานปัญญาทํำยังไงเราต้องสอบเสะแวงหาจุดได้ถ้าเราเมื่อยังมีลมหายใจไม่สอบเสะแวงหานะ่ะจะมีโอกาสได้ไหมไม่มีโอกาสนะอายุสามสิบปีสี่สิบปีบางคนหกสิบปีเจ็ดร้อยปีตายเน่าเข้าหลุมยังไม่เคยรู้ว่าเราเป็นอะไรเลยหลวงพ่อก็ไม่เคยรู้แต่ว่าหลวงพ่อเคยให้ทานมาเคยรับศีลมาหลวงพ่อ แต่หลวงพ่อไม่รู้แต่หลวงพ่อเนึกว่าทําบุญมากๆตายแล้วไปเกิดเมืองสวรรค์เป็นเทวดาแล้วจะกลับมาเกิดในเมืองคนไม่เป็นคนสวยเลยซับหลวงพ่อเข้าใจอย่างไงหลวงพ่อต้องการอย่างไงเมื่อมาประสบสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อไม่เอาแล้วสิ่งนั้นหลวงพ่อไม่เอาใครจะว่ายังไงหลวงพ่อก็ไม่เอาหลวงพ่อเป็นมิตรสาธิตก็เป็นได้ใครจะว่าเป็นสมาธิธิิก็เป็นได้ว่ามันเป็นเรื่องสมมุติี่ พระพุทธเจ้าสอนเราให้เรารู้จักเท่านั้นเองเรารู้จักเราเราจะหนีหรือเราจะอยู่เท่านั้นเองคนรู้จักแล้วอยู่เหมือนกับไม่ใช่คนรู้จั ก, ก, จกแล้วต้องหนีถ้ารู้จักแล้วไม่หนีก็ไม่ใช่คนจหนีไม่ได้ก็เป็นโลกิญะธรรมไม่ใช่ว่ารู้แล้วดีไม่ใช่อย่างรู้แล้วต้องหนีคันรู้แล้วไม่หนีไม่มีประโยชน์กับผลค้าที่เรารู้มาเลยสมมุติเราเหิวข้าวเนี่ยมีข้าวอยู่ที่เนี่ยเราไม่กินนั่นจะมีประโยชน์อะไรข้าว หิวข้าต้องกินข้าวกินเข้าแล้วก็มันหมดเหิวน่นก็ดีเท่านั้นเองอันนี้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตของเราเราเขาไม่ทํารื่องมันแล้วไม่มีเรื่องอะไรไปฟังวันนี้ฟังใกล้ๆพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรกันมากมาเที่ยวโลกิยธรรมโลกุตรธรรมหรือว่าสวรรค์นรกอเวจีพูดให้ฟังใกลใ้ๆนรกคือดฝนร้อนอบร้นอนใจดีบุก แล้วก็ในขณะไหนเวลาใดเราทุกขณะมันจางคายไปเราก็ขึ้นสวรรค์โคตรมาเที่ยวน้าตกนรกอีกแล้วเนี่เป็นสวรรค์เป็นนรกบัดนี้เราอยู่แต่เพียงสวรรค์ไม่ไปตกนรกแต่ว่าไม่รู้จักทิศ ท, ทางออกธรรมอยู่กับโลกิยธรรมอันนี้ขำว่าโลกิยธรรมเราจะสแสวงหาโล ก, กุตตรธรรมในทางนี้ออกทางนี้บัดนี้เมื่อเราหาทางออกโลกียธรรมไม่ได้เราก็ต้องมูนเวียนอยู่ในโลกิณธรรมทำดีกับโลก เป็นวิสัยของคนเป็นวนิสัยของสัตว์โลกเป็นวิสัยของสัตว์ยังไม่เป็นวิสัยของมนุษย์ยังไม่เป็นวิสัยของชาเลียบคนให้เข้าใจอย่างเมื่อเราสแสวงหาทางคนพบได้แล้วนั่นแหละเป็นวิสัยของโลกอุตตรธรรมไม่ใช่ว่ารู้ทันทีได้ทันทีไม่ใช่โยเซวัตเราต้องอาศัยทำให้มีญาตปัญญาจริงๆทำจริงๆไม่ทําจริงแล้วก็มันทําไม่ได้จริงดังนั้น คืออะไรไม่รู้ถามดูก็ได้เนี่ยหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อถามได้แล้วนี่พานหมายถึงอะไรดูไหมพูม่รู้อยายาครอยกูหมายถึงอะไรหรือไม่ ร, มรู้ไม่ต้องทำมันใจมันสบายแลย้วมันมีแล้วนี่พา่า ไม่ต้องไปทําอะไรบางคำว่านิพพานมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่แต่ไม่ต้องทําอะไรเลยมันมีแล้วเนี่ยเราจะตายเนี่ยมันมีแล้วที่จะทําให้เราตาย่คล้ายๆคือเราเราไปมันจะมีอันตัดศินเองมันละเมียดหลวงพ่อว่าสัจจะคือของจริงแท้เปลี่ยนแปลงมาเลยคนทุกคนต้องตายต้องไปประสบอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราจะไปลุกขึ้นแท้ทถ้าเรารู้จักอันนี้มันจะทางออกไปทางนี้มันเป็นอย่างนี้ มันมาทางนี้มันเป็นโลกิยธรรมไปทางนี้มันจะเป็นโลกจริยธรรมสอนกันให้รู้อยากให้มันเห็นให้มันรู้ต้อเข้าใจดังนั้นคนมันไม่เข้าใจโลกุตตรธรรมไม่ต้องทําอะไรโลกิยธรรมต้องทําในขณะที่เราทํายังไงจิตใจเราสบายเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยมันเป็นเองอยู่แล้วนี่พูมเป็นเองนั่นแหละว่าโลกุตตรธรรมไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายคําว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ต้องทําอะไรเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรมันมีแล้วจางว่าเป็นสัจจะเป็นของจริงเต้นแลงไม่ได้ะคนไทยก็ต้องตายอย่างนั้นคนจีนก็ต้องตายอย่างนั้นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องตายอย่างนั้นจีงหวะใครรู้ก็เป็นของคนนั้นใครไม่รู้ไม่เป็นของคนนั้นไม่ว่าศาสนาพุทธศาสน า, าพราหศาสนาอะไรก็าตามมันมีในคนทุกคนไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะสงวนงียบนิตไม่คนอื่นทาได้ไหมไ รู้แล้วทำลายก็ไม่ได้เพราะมันทำลายไม่ได้มันไม่มีอันไรจะไปทำลายมันได้และจะไม่ให้คนอื่นรู้มันก็ไม่ได้หรอกเพราะมันหน้าที่ของคนที่ทำรู้เองเรารู้แล้วจะทำลายมันทำลายไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพวกเรามาที่เราต้องพยายามพูดหลวงพออพูดไปแต่คนฟังดูมันเข้าใจน้อยนะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยฟังนั่นแหละมันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อพูดฟังแล้วไม่ ไม่เข้าใจแม่เข้าใจก็โอ้มันไม่มีมันก็ไม่มีของเขาเจมันมีเนยเขาแต่เขาไม่รู้เหมือนกับเกลียวที่มันอัดแน่นอยู่เกลียวหันแน่นเขาแล้วไม่มีวันจะหมุนออกมามันก็ไม่ขายออกมาเกี่ยวกับหันแน่นอยู่อย่างนั้นมันก็โค้งหน้าอยู่เนี่ยไม่เป็งายขึ้นมันก็ปิดอยู่เนี่ยไม่เปิดเท่านั้นเองเรื่องจังหวัละที่เมืองไทยก็มีหลายนั อาจารย์นั้นดังดงอาจารย์นี้ดังๆเนี่ยก็ต้องไปหาอาจารย์ที่ดังดังทุกองค์งอาจารย์ใดดีก็ต้องไปหาเลยเราชอบอาจารย์ไหนต้องไปอาจารย์นั้นแต่เราเลือกเอาให้เป็นเพราะเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์ใครจะห้ามเราไม่ได้อยากไปก็ได้เราต้องไปถ้าเราชอบถ้าเราไม่ชอบไปนะไม่ต้องไปนี่างนะั้นให้เขา้าใจยังไงทุกคนการเลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นอย่างที่องคุริมานโชนก็ประสบมาแล้ว เขาจะแป้งฆ่าเราก็ได้องค์คลิมานอาจารย์ฆ่าคนต้องผันคนต้องมีคนหนึ่งฆ่าองค์คลิมานได้เขาคิดยังไงแต่องค์คลิมานไม่รู้ดีโชคดีมีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วกับองค์คลิมานก็ต้องถูกเขาตัดคอเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันให้เข้าใจตัวเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์สอนหลายอย่างหลวงพอเคยเห็นหลวงพ่อ เ, เคยไ ป, ยปฟังเทศฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ดีทุกองค์ สอดนดวความจริงใจแก้ไขปัญหาตัวเองแก้ไขปัญหาคนนั้นคนช่วยกันแก้ไขให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจเจริญเขึ้นอย่าให้มีการขัดแย้งภายในจิตใจของเราถ้ามีการขัดแยง้งจิตใจของเราใครสอนก็ไม่ตกเราต้องมาแก้ปัญหาตัวเราการขัดแย้งมีที่ตัวเราคนนั้นพูดไม่พอใจเขาไม่ได้รู้ใจเราเราไม่พอใจ เ, เขาไม่รู้เราชอบเขาเขาไม่รู้ เราเกลียเขาก็ไม่รู้แต่ว่าเราดูที่ใจเราเมื่อเราไม่มีการขัดแย้งกับใจเราเราไปกับใครก็ได้อยู่กับสัดร้ายก็ได้เพราะมันสัตร้ายไม่ได้ทําเราแล้วนี่ที่หลวงพ่อพูดที่เนี่ยมีเสือมีสัขามีแมงป่องมันก็อยู่นมันก็อยู่พอมันเนี่ยมันก็ไม่ทําร้ายเราไดเ้เพราะเราออกสนะมันได้อันนั้นเป็นภายนอกที่หลวงพ่อพูดเราฆ่าแต่ฟองนั้นและมันก็แล้วเรื่องเราหมดให้มันหมด เนีย่ยอันนี้เขาว่าเอื้นโล ก, กิญญธรรมถ้าเราอยู่อย่างเมื่อเราไปแล้วตายแล้วก็เป็นโล ก, กุตระธรรมแต่เราอยู่ในโล ก, กุตระธรรมเพราะว่ามันไม่มีการขัดแย้งท่านว่าอนี้ที่พูดให้ฟังก็นึกว่าจะจัดไปปฏิบัติได้คิดว่าถ้าหากเราพูดอย่างนี้ยังเอาไปปฏิบัติไม่ได้ก็นาพวกเราจึงจะเข้าใจเพราะการพูดอย่างนี้มันไม่ค่อยมีโอกาสไม่มีเวลา การพูดอย่างนี้ต้องเหมาะสมกับบุคคลที่ฟังถ้าคนยังไม่เหมาะสมกับการฟังพูดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอันตรายเดีคนใดชอบก็ต้องฟังเอาไปปฏิบัติคนใดไม่ชอบก็แล้วไปอันนั้นก็อย่างเดีบางทีเขาเคยได้ยินไหศาสนาเซนนำล้างฐานกันนำฆ่ากันเพราะไม่ชอบนี่เป็นอย่างนั้น ทำป็น ม, มีการยติแยงกันเดีวยวนะอันนี้ดพไม่ได้พูดจะกนัดูสภาพแล้วคนพอเหมาะสมเป็นนักปฏิบัติสนใจกันจริงไหมถ้าหากไม่เป็นนักปฏิบัติไม่สนใจพูดแล้วก็เสียเวลาหนึ่งเลยคนฟังก็เหนื่อยก็ไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองทางถ้ามีคนสนใจฟังแล้วก็พูดเพื่อทําคนเข้าใจของเขาให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาไปโดยตรงมันก็ได้ประโยชน์ทางคนพูดได้ประโยชน์ทางคนฟัง ดังนั้นการทำความรู้สึกตัวนั่นจองมีอานิสงส์มากถ้าไม่รู้สึกตัวในขณะในเวลาใดแล้วว่าตนหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจใคลๆคือเราไม่มีชีวิตนี้เองเป็นอย่างนั้นเราก็เลยเรียกว่าสติเพิ่พสติไปแล้วเนี่ยน้อยอย่างนีนงนน้แต่ไม่ต้องพูดเอาภาษาบ้านเราเอาภาษาบัญญัลงตนจะลืมตัวใครจะพูดอะไรเป็นเรื่องของคําพูดของคน เราจะไปยึดไปถือเราต้องพยายามดูใจเราอย่าให้มีการขัดแย้งภายในจิตใจฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆความเคยชินอันนั้นขึ้นมาเร้ว่าเหตุผลฟังอันนี้ฟังแล้วมีเหตุมีผลฟังและไปปฏิบัติตามเรีเยกว่าสุตะไมยปัญญาท่านวันฟังฟังได้ไปปฏิบัติตามเรียกว่าสุตะไญปัญญาจินตะไมยปัญญาภาวนามัยปัญญาทานนภาวนามัยปัญญาท่าวนวันปัญญาญา ญาณของปัญญาทําให้มันเจิดเกิดปัญญาจนปิญานปัญญาเกิดขึ้นเนาะวันนี้พวกเราฟังฟังแล้วไปปฏิบัติตามมันมีเหตุมีผลไม่พระเจ้าฟังแล้วที่งไว้ที่ตรงนี้นั้นมันไม่ได้ผลที่หลองพอพูดให้ฟังรับรองว่าทุกคนทําได้นั่งอยู่เดียวนี้ก็ทําได้แล้วเดียวเดียวแต่ว่าไม่รู้ในขณะที่มันโอมในขณะที่เราโอมขึ้นมาเราลงเราไม่ได้รู้ตัวเรา จนมันโกดแล้วเด็ก ย, ยังรู้ดิรู้มันพอแล้วมันตกนรกเลยดิแล้ว ก, ก็ไปสวรรค์มั น, อนพอะมันเศร้าอยู่แล้วก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาโกดขึ้นมา ก, ก็ไปนรกนียเราเจะนรกกับสวรรค์จะอยู่ด้วยกันโลกินยธรรมกับโลกุตรธรรมเดยวไปสายเบียกันเดียวไปไม่ถึงคนใดไปไ ม, ไ, ดไม่ถึงคือสลัดการขัดแย้งไม่ได้เขาว่าโลกิยธรรมคนใดไปถึงสลัดการขัดแย้งได้เขาว่าโลกุตรธรรม ไม่มีการขัดแย้งในใจใครจะพูดอะไรเป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้ เ, วเทวเวรโลกิยธรรมแต่ว่าคนยังกินข้าวทําการทํางานตามหน้าที่แต่ไม่มีการขัดแยง้งเขาเรียกว่าโลกุตระธรรมไม่ใช่จะเป็นเต้าโสงเจ้าไม่ใช่จะเป็นเจ้าเจดย์เป็นเหมือนกันหมดอยเมื่อคนใดรู้แล้วสงวนลิขิตไม่ได้คนใดรู้แล้วจะทําลายก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นเดีไม่ต้องทำอะไร เรยขอที่จะเข้าใจเอาเนี้ยนี่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตส ก, กิจใจวันนี้พอนึกว่าสมควรกี่เวลาแล้วท้าที่สุดนี้อาตมาขอทูลสงและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่นะที่นี่อาตมาขออ้างเอาความของพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา ส, มา ส, มาสมาัมพุทธจและคุามของพระลานตาเต่าวกพ ร, ระสัมมาฯโดยจะมาเตือนจิตสกิจใจข อ, ของเรา ให้พวกเราได้พบได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วเห็นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้ไม่ใช่แค้งขาหน้าตาหรือเท้าเป็นพระพุทธเจ้าอันเป็นพระพุทธเจ้าคือจิตใจสะอาจิตใจสว่าง จิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวนั่นแหะคือจิตใจของพระพุทธเจ้าก็มีในคนทุกคนไม่มียกเว้นเลยอันนี้มีในคนทุกคนอยูพระพุทธเจ้าอยู่ไม่มีสัวไม่มีตัวถ้าเราจับเอานั่นมาใช้ได้เราเราก็ต้องเป็นโลกพุตตระธรรเราก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธะทาตามพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นรู้ตามเห็นตามถ้าไม่รู้ตามเห็นตามก็เป็นการเดินส่วนทางกันกับพระพุทธเจ้า ขอให้พวกเราได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้เรื่เวลาอันใกล้เป็จงทุกทุกคนใช่นรกคือควมร้อนอกร้อนใจมีทุกแล้วก็ในขณะไหนเวลาใดเราทุกอนั้นมันจางคลายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์โกรธมาเท่าน่าตกนรกอีกแล้วเนี่ยเป็นสวรรค์เป็นนรกบัด น, นี้เราอยู่แต่เพียงสวรรค์ไม่ไปตกนรก แต่ว่าไม่รู้จักทิศทางออกธรรมอยู่กับโลกิยธรรมอันนี้คำว่าโลกิยธรรมเราจะสแสวงหาโลกุตรธรรมในทางนี้ออกทางนี้ตันนี้เมื่อเราหาทางออกโลกิยธรร ม, มแล้เราก็ต้าหมูนเวียนอยู่ในโลกียธรรมดีกับโลกเป็นวิสัยของคนเป็นวิสัยของสัตว์โลกเป็นวิสัยของสัตว์ยังไม่เป็นวิสัยของมนุษย์ยังไม่เป็นวิสัยของพระเยบุคุณให้เข้าใจอย่างเมื่อเรา สแสวงหาทางพ้นทุกได้แล้วนั่นแหละเป็นนิสัยของโล ก, กุตตรธรรมไม่ใช่ว่ารู้ทันทีได้ทันทีไม่ใช่เดียวเราต้องอาศัยทําให้ิญาณปัญญาจริงๆทําจริงๆไม่ทําจริงแล้วก็มันจะไม่ได้จริงดังนั้นทานคืออะไรไม่รู้ถามดูก็ได้เนี่หลราพอกที่ว่าหลวงพ่อถามได้แล้วนี่ทานหมายถึงอะไรดูไหม เลยเอาไปรู้หมายถึงอะไหรือไม่รู้ไม่ต้องทําัำใจมันสบายเลยมันมีแล้วนิพพานไม่ต้องไปทําอะไรบ้างคำว่านิพพานมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ต้อ ไ, ไม่ต้องทําอะไรเลยมันมีแล้วเนี่ยเราจะตายเนี่ยมันมีแล้วที่จะทําให้เราตายคล้ายๆคือเรา เราไปมันจะมีอันตัดศินเองมันเนี่ยโยมหลวงพ่สัจจะคือของจริงแท้เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนทุกคนต้องตายต้องไปประสบอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้จักอันนี้เราจะเป็นโลกินญาธรรมถ้าเรารู้จักอันนียมันจะทางออกไปทางนี้มันเป็นอย่างมันมาทางนี้มันเป็นโลกินธรรมไปทางนี้มันจะเป็นโลกุตตรธรรมสอนกัรให้รู้จยากให้มันเห็นให้มันรู้ตั้เข้าใจดังนั้นคนมันไม่เข้าใจโลกุตตรธรรมไม่ต้องทําอะไรโลกิยธรรมต้องทํา ในขณะที่เราทำยังไงจิตใจเราสบายเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมันเลยมันเป็นเองอยู่แล้วนี่ควมเป็นเองนั่นแหละจีวาโลกุตละธรรมไม่ต้องเกิดไม่ต้องแกไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายคาว่าไม่เกิดไม่แกไม่เจ็บไม่ต้องทำอะไรเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมันมีแล้วจีวะเป็นสัจจะเป็นของจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนไทยก็ต้องตายอย่างนั้นคนจีนก็ต้องตายอย่างนั้น คนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องตายอย่างนั้นว่าใครรู้ก็เป็นของคนนั้นใครไม่รู้ไม่เป็นของคนนั้นไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาพานศาสนาอะไรเขตั้งมันมีในคนทุกคนไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะสมนในิคติสไม่คนอื่นทําได้ไม่ใช่หรือรู้แล้วทําลายก็ไม่ได้เพราะมันทําลายไม่ได้มันไม่มีอะไรจะไปทําลายมันได้และจะไม่ให้คนอื่นรู้ก็ไม่ได้หรอเพราะมันหน้าที่ของคนที่ทํารู้เอง เรารู้เลยจะทำลายมันทําลายไม่ได้เนะี่ยเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพวกเรามาทีนี่ก็ต้องพยายามพูดหกพ่อพูดไว้แต่คนฟังดูมันเข้าใจน้อยนะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยฟังนั่นเนี่ยมันัำคัญอย่างที่ผลพ่อพูดฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจแม่เข้าใจก็โอ้มันไม่มีมันก็มมนไม่มีของเขาแต่มันมีในเขาแต่เขาไม่รู้เหมือนกับเกียวที่มันอัดแน่นนเดียวหันแน่นเขา แล้วไม่มีวันจะมหมูนออกมามันก็ไม่ถ่ายออกมาเกียาานเน่ยวกับหันแน่นอย่างนี้มันก็ขุ่มหน้าอยู่นะไม่ไม่งายขึ้นไหร่มันก็ปิดอยู่นัะไม่เปิดนเท่านั้นเองเรื่องจังวะละที่เมืองไทยก็มีหลายนละอาจารย์นั้นดังๆอาจารย์นี้ดังๆเนี่ยก็ต้องไปหาอาจารย์ที่ดังๆทุกองค์อาจารย์ใดดีก็ต้องไปหาเลยเราชอบอาจารย์ไหนต้องไปอาจารย์นั้นแต่เราเลือกเอาให้เป็นเพราะเราเป็นคน เราเป็นมนุษย์ใครจะห้ามเราไม่ได้ยาไปเส้นเราต้องไปถ้าเราชอบถ้าเราไม่ชอบไปนะไม่ต้องไปนย่เนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นนนด้วยการเลือกคัดจับหาออกให้เป็นอย่างที่องคุลิมานโจรกกประสบมาแล้วเขาจะแป้งฆ่าเราก็ได้องคุลิมาอาจารย์ฆ่าคนต้องผันคนต้องมีคนนึ่งฆ่าองคุลิมาได้เขาคิดยังไงแต่องคุลิมาไม่รู้ดีโชคดีมีพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทเจ้าแล้ะองค์กริมานก็ต้องถูกเขาตัดคอเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันให้เข้าใจตัวเดี๋ยวนี้อ่ะครูบาอาจารย์สอนหลายอย่างหลวงพ่อ เ, เคยเห็นแล้วงพก็เคยไปฟังเทศฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ดีทุกองค์ ส, สอนุกลมจริงใจแก้ไขปัญหาตัวเองแก้ไขปัญหาคนนั้นคนช่วยกันแก้ไขให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจเจริญขึ้นอย่าให้มีการขัดแย้งภายในจิตใจของเราถ้ามีการขัดแยง้งจิตใจของเราไทยสอนก่อน ไม่จบเราต้องมาแก้ปัญหาตัวเราการขัดแย้งมีที่ตัวเราคนนั้นพูดไม่พอใจเขาไม่ได้รู้ใจเราเราไม่พอใจเขาไม่รู้เราชอบเขาเขาไม่รู้เราเกลียดเขาก็ไม่รู้จี่ะเราดูที่ใจเราเมื่อเราไม่มีการขัดแย้งกับใจเราเราไปกับใครก็ได้อยู่กับสัตว์้า่ก็ได้เพราะมันสัตว์ายไม่ได้ทําเราแล้วนี่ที่ดงพ่อพูดว่าที่นี่ย มีเสือมีตะขาบมีแมงป่อ ง, องมันก็อยู่นีมันก็อยู่ประมาณ น, นี้มันก็ไม่ทําร้ายเราได้พราะเราเออกสนามันได้อันนั้นเนี่ยเป็นภายนอกที่หลวงพอ่อพูดเราฆ่าไปฟังนั้นและมันก็แล้วเรื่อง เ, เราหมดให้มันหมดเลยเนี่ยอันนี้เขาว่าเออโล ก, กิยธรรมถ้าเราอยู่อย่างเมื่อเราไปได้ตายแล้วก็เป็นโล ก, กุตระธรรมแต่เราอยู่ในโล ก, กุตรธรรมเพราะว่ามันมยยไม่มีการขัดแย้งกันวะอย่างทีพ่พูดให้ฟังก็นึ ก, กว่าจะจับไปปฏิบัติได้ขึ้นไป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 เคยได้ยินไหมศาสนาเซนนำล้างฐานกันนำฆ่ากันเพราะไม่ชอบเนี่ยเป็นยังไงคำนีนในการญาติแย่งกันเยออันนี้เราพอไม่ได้พูดจะทีดูสภาพแล้วคนพอเหมาะสมเป็นนักปฏิบัติสนใจกันจริงไหมถ้าหากไม่เป็นนักปฏิบัติไม่สนใจพูดแล้วก็เสียเวลาเหนื่อยคนฟังก็เหนื่อยก็ไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองเทาง่าถ้ามีคนสนใจฟัง แล้วก็พูดเพื่อทําคนเขาเ้าใจของเขาให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาไปโดยตรงมันก็ได้ประโยชน์ทางคนพูดได้ประโยชน์ทางคนฟังดังนั้นการทำความรู้สึกตัวนนเองมีอานิสงส์มากถ้ า, าไม่รู้สึกตัวนในขณะในเวลาใดเลยว่าคนหลงตนลืนตัวหลงกายลืมใจใคล้ายๆคือเราไม่มีชีวิตนี้เองเป็นอย่ากๆเราก็เลยเรียกว่าสติเพิสติไปแล้วเด็กๆ แต่ไม่จงพูดเอาภาษาบ้านเราออกครับ